บทที่สามสิบแปดกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่ความลับเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและทฤษฎีการเกิดใหม่นั้นพระมหาเถรถวายวิสัชนาต่อไปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งแก่บุคคลผู้เชื่อเองและทั้งแก่ญาติมิตรพี่น้องของเขาแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะยังไม่เชื่อก็ตามผู้เชื่อในเรื่องกรรมอย่างน้อยก็เป็นผู้ที่กล้าหาญที่จะทำความดีเพื่อความดีมีความอดทนความเสียสละทนได้ต่อความผิดหวังและทุกทรมานแห่งชีวิตอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เขาทนได้ด้วยดวงใจสงบ ไม่ตีโพยตีพายร่ำร้องลงโทษเทวดาฟ้าดินหรือเคราะ์กรรมใดๆเพราะเขาคิดได้ว่ามันเป็นผลแห่งการกระทําของเขาเองในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องบุคคลอื่นเขาจะเป็นคนซื่อสัตย์ปราศจากการหลอกลวงทรยศคดโกงมีความขแยงบาปและอายแก่ใจในการทำความชั่วทุจริตไม่ว่าในที่ลับหรือเปิดเผย ความเชื่อมั่นคงและมีเหตุผลว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงผลของมั่นไม่อาจถูกทำลายได้จนกว่าจะให้ผลอย่างเต็มที่แล้วสิ้นไปเองนั้นเป็นการเพียงพอที่จะเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลที่มีต่อชีวิตเช่นเขาเคยปล่อยกายปล่อยใจให้อยู่ในอำนาจควบคุมของกิเลสหรือความรู้สึกชั่วก่อน เพราะคิดว่าเป็นความสุขสำราญที่มนุษย์พึงได้ในฐานะเป็นกำไรชีวิตเมื่อมารับเชื่อเรื่องกรรมและการเกิดใหม่แล้วทัศนคติชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะเริ่มระมัดระวังความคิดคําพูดและการกระทําของเขาโดยควบคุมตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ไม่ทําความชั่ว อันจะผลิตผลให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานในชาติหน้าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือได้มากในเวลาเจ็บป่วยหรือผิดหวังความจริงผู้ที่สามารถดํารงตนอยู่ได้อย่างสงบสุขในสถานการณ์ทุกอย่างนั้นถือได้ว่าเป็นผู้มีขุมทรัพย์ภายในอันสูงสุดยิ่งบุคคลทั่วไปไม่อาจรู้ได้ว่ามันมีคุณค่าเพียงไร นอกจากเขาจะได้เข้าถึงคุณธรรมเช่นนั้นแล้วบุคคลบางพวกถือตนว่าใช้ชีวิตอย่างฉลาดทันต่อเหตุการณ์ของโลกมองชีวิตแต่เพียงชาติเดียวแล้วยึดมั่นว่าไม่มีความจริงอะไรเลยในเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ความจริงหากชีวิตมีเพียงชาติเดียวโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความอายุติธรรมนานาประการตัวอย่างคนดีจานวนมาก มีความเป็นอยู่แร้นแค้นแสนเข็ญคนคดโกงไม่แยแสต่อกฎแห่งศีลธรรมใดๆกลับมีความเป็นอยู่อย่างสบายคนมีความอดทนไม่เห็นแก่ตัวเสียสละเป็นจำนวนมากมีร่างกายอ่อนแอสุขภาพไม่ดีในขณะเดียวกันกับคนที่เห็นแก่ตัวเป็นจำนวนมากซึ่งคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวกลับเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดี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 แต่ความสับสนดังกล่าวก็หมดไปเมื่อบุคคลมาศึกษาจนเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมพร้อมทั้งอิทธิพลของมันในการมีอำนาจให้ผลแล้วประมวลลงในทฤษฎีแห่งการเกิดใหม่นี้ซึ่งระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่ากรรมจำแนกบุคคลให้แตกต่างกันเมื่อเป็นดังนี้ผู้มีใจเป็นธรรมไม่เข้าข้างตนเองเกินไปก็พอจะมองเห็นว่า บุคคลนั่นเองเป็นผู้สร้างชะตาชีวิตของตนเป็นผู้สร้างกรรมขึ้นก่อนแล้วกรรมนั้นก็ยอกย้อนมาให้ผลแก่ผู้กระทำเขาไม่อาจหลีกให้พ้นผลแห่งกรรมที่เขาได้สร้างขึ้นได้ไม่ว่าจะหลบหลีกไปอยู่หน้าท้องถิ่นดินแดนใดแต่กรรมอาจให้ผลเร็วหรือช้าแล้วแต่จังหวะและสภาวะอันเหมาะสม เพื่อยังความดังกล่าวให้แจมแจ้งอาตมาภาพขอนำเรื่องมาสาธกเป็นอุทาหรณ์ดังนี้ในสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ในสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่แลกกลาวนั้นประทับอยู่นเมืองสาววัตถีราชธานี แห่งแคว้นโกสนใกล้ๆอารามเชตวันอันเป็นที่ประทับนั่นเองมีครอบครัวหนึ่งพ่อบ้านมีอาชีพทางค้าโคเมื่อชำละแล้วแบ่งบริโภคเสีส่วนหนึ่งนอกนั้นนำไปขายบางกราวก็นำส่วนที่เหลือจากขายมาบริโภควันหนึ่ง เขาขายเนื้อโคเสร็จแล้วเหลือเนื้ออยู่ชิ้นหนึ่งส่งให้ภรรยาตนเองลงไปอาบน้ําที่ท่าน้ําสหายของเข้าคนนึงมาขอซื้อเนื้อโคแม่บ้านบอกว่าเนื้อโคที่ขายนั้นไม่มีมีเนื้ออยู่ชิ้นนึ่งสำหรับปิ้งให้สามีเพราะเขาขาดเนื้อไม่ได้ชายผู้เป็นสหายของนายโคคาดอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่า บอกว่ามีแขกมาที่บ้านไม่มีอะไรจะต้อนรับเลยถ้าพอจะให้เนื้อไปได้ก็ขอให้ไปก่อนเธอฝ่ายภรรยาของนายโคคาดคงยืนกรานอย่างเดิมผู้ชายนั้นจึงหยิบเอาเนื้อไปโดยถือวิสาสะเมื่อถึงเวลาอาหารนายโคคาดไม่เห็นเนื้อจึงถามภรรยาภรรยาได้เล่าตามความจริงทั้งสิ้นเขาโกรธมากเพราะไม่อาจเว้นเนื้อได้ จึงจับมีดคมลงไปหลังบ้านซึ่งโคค่องเข้าตัวหนึ่งยืนอยู่เขาล้วงมือลงไปในปากโคดึงเอาลิ้นออกมาแล้วเฉือนด้วยมีดอันคมกริบลิ้นโคขาดทันทีมนล้มลงนอนควนครางด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานสายทานแห่งโลหิตไหลออกจากปากหน้าเวทนายิ่งนัก นายโคคาดนำลิ้นโคมาโยนให้ภรรยาไปปิ้งเสร็จแล้วก็ลงมือรับประทานอาหารพอลิ้นโคแตะที่ลิ้นของเขาเท่านั้นมันก็ติดแน่นกับลิ้นของนายโคคาดทำอย่างไรก็ไม่หลุดนายโคคาดรู้สึกว่าลิ้นของตนร้อนเหมือนถูกนาบด้วยแผ่นเหล็กอันโชดด้วยไฟในที่สุดลิ้นของเขากระขาดหลุดออกมาจากปาก เลือดไหลท่วมปากร้องกรวนครางด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสคุกเข่าทั้งสองคลานไปมาเหมือนอาการแห่งโคแล้วก็สิ้นใจต า, ตายพร้อมกับดับจิตแห่งโคหลังบ้านขอถวายพระพรพระเถรถถวายสวิสัจนาต่อไปนี่คือวิบา ก, กรรมซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชาัดเจนไม่ต้องสงสัยเลยว่า คติสัมปรายภพคือโลกหน้าของเขาจะต้องเป็นทุกขติอย่างแน่นอนการบางอย่างคอยติดตามผู้ทำอยู่สบโอกาสเมื่อไรให้ผลเมื่อนั้นเหมือนสุนักไล่เนื้อทันที่ใดก็กลับที่นั่นอัตมาภาพขอยกตัวอย่างดังนี้ครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้เห็นสเวียนหญ้าถูกไฟไหม้แล้วลอยขึ้นสู่อากาศเพราะแรงลม ลอยไปคล้องคอกาตัวหนึ่งตกลงมาขาดใจตายภิกษุทั้งหลายนำความขึ้นทูลเล่าถวายพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสเป็นเพราะกรรมข้องเข้านั่นเองภิสษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสนานมาแล้วมีชาวบ้านคนหนึ่งต้องการฝึกโคของตนแต่โคนั้นไม่ยอมรับการฝึกเดินไปหน่อยนึงแล้วนอนเสีย ชาวนาผู้นั้นทั้งตีทั้งแทงด้วยปะตักโคนั้นก็เดินไปได้หน่อยนึงแล้วก็นอนเสียอีกหลายครั้งหลายหนชาวนาจึงผูกโควไว้กับหลักนำฟางและหญ้ามาสมแล้วเผาโคถึงความวิบาทแห่งชีวิตด้วยเหตุนั้นด้วยวิบากกรรมนั้นชาวนาต้องตกนรกเป็นเวลานานเพราะเศษแห่งวิบาก ชาวนาผู้นั้นถือปฏิสนธิในกำเนิดกาถึงตายด้วยวิธีถูกเสเวียนหญ้าพันคอมาเจ็ดครั้งแล้วอีกเรื่องหนึง่งภิกษุจำนวนเจ็ดรูปเดินทางมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคมาพักอยู่ณถ้ำแห่งหนึง่งตกกลางคืนศิลาก้อนใหญ่กลิ่งลงมาปิดประตูถ้ำภิกษุเหล่านั้นพยายามช่วยกันผลักศิลา ก็ม่ได้ขยื่นเลยจึงจำต้องทนทุกข์ทรมานอดข้าวอดน้ำเป็นเวลาหกวันเศษในวันที่เจ็ดศิลานั้นได้เลื่อนไหลไปเองโดยไม่มีใครแต่ต้องผลักดันเลยพระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่าเรื่องนี้เป็นวิบากกรรมของภิกษุทั้งเจ็ดรูปนั้นร่วมกันทา ม, มาเรื่องอดีตมีว่า ในชาติก่อนภิกษุทั้งเจรูปนี้เกิดเป็นเด็กเลี้ยงโคนําโคไปเลี้ยงในป่าแห่งหนึง่งเขาพบเฮียใหญ่ตัวหนึ่งจึงชวนกันไล่ตีเฮียหลบเข้าในรูจอมปลวกเด็กทั้งเจ็ดคนช่วยกันอุดรูไว้คิดว่ารุ่งขึ้นมาเลี้ยงโคแล้วค่อยเปิดรูดูแต่วันรุ่งขึ้นก็ชวนกันพาโคไปเลี้ยงที่อื่นลืมนึกถึงเรื่องเฮียเขาอุดรูไว้เจ็ดวัน ต่อมาเขาถึงกลับมาเลี้ยงโคที่เดิมจึงระลึกถึงเรื่องนั้นได้ชวนกันดึงหญ้าและใบไม้แห้งออกเห็นเฮียมีตะหนังหุ้มกระดูครานมานอนนิ่งที่ปากรูมันอดอาหารตลอดเจ็ดวันเด็กเหล่านั้นเกิดความกรุณาจึงไม่ได้ทำร้ายถึงชีวิตแล้วก็ปล่อยมันไปด้วยวิปากกรรมนี้ภิกษุทั้งเจ็ดรูปได้เคยอดอาหารในทํานองนี้มาเจ็ชาติแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงเล่าเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายและทรงสรุปว่าบุคคลจะหนีกรรมของตนไม่ได้เลยไม่ว่าเขาจะอยู่กลางเวหาหรือป่าใหญ่จะอยู่ในมหาสมุทรหรือซอกเขาหรือท้องถ้ำใดๆก็ตามทํานองเดียวกันกรรมดีที่บุคคลสร้างสมไว้ย่อมคอยประคับประคองช่วยเหลือเกื้อกูล มีให้ผู้นั้นตกอับล่มจมคอยเป็นเงาตามตัวสบโอกาสเมื่อไรเข้าช่วยเหลือเมื่อนั้น<อ>พระคุณเจ้าพระเจ้าอโศกตรัสตัวอย่างแห่งกรรมที่พระคุณเจ้าเล่ามานั้นล้วนเป็นกรรมที่บุคคลกระทําโดยเจตนาทั้งสิ้น ก็กรรมบางอย่างอันบุคคลกระทําโดยไม่ได้มีเจตนาจะอํานวยผลเพียงใดหรือไม่ให้ผลขอถวายพระพรกรรมชนิดนี้เรียกว่ากตัตตากรรมหรือกตัตตาวาปนากรรมคือกรรมศักแต่ว่าทําเมื่อให้ผลก็ให้ผลเพลาที่สุดโอกาสที่จะให้ผลก็น้อยเมื่อใดกรรมอันบุคคลทําโดยเจตนาให้ผลหมดแล้ว เมื่อนั้นกรรมชนิดนี้จึงจะทําหน้าที่ของมันพระคุณเจ้าข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าพระผู้มีพระภาคศาสดาแห่งท่านกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมมิใช่หรือเมื่อเป็นดังนี้เหตุฉนัยการกระทําหรือคําพูดอันไม่มีเจตนาจึงต้องมีวิบากด้วยแม้จะเป็นวิบากหรือผลอันเปล่าที่สุดก็ตาม ขอถวายพระพรอาตมาภาพขอทูล ถ, ถามพระองค์บางประการพระองค์ทรงเห็นอย่างไรขอให้ทรงตอบอย่างนั้นคือสมมุติว่าพระองค์ทรงประทับบนประสาทชั้นบนทรงโยนก้อนอิฐลงมาทางช่องพระแกรโดยที่พระองค์ไม่ได้ทรงมีเจตนาจะให้ถูกใครเลยบังเอิญก้อนหินนั้นไปถูกชายผู้หนึ่งเข้า เขาจะเจ็บหรือไม่เจ็บแน่นอนพระคุณเจ้าหากพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้แล้วขอโทษเขาเสียเขาอาภัยให้พระองค์หรือไม่อันนี้ไม่แน่เสมอไปเขาอาจให้อาภัยหรือไม่ให้ใหอาภัยก็เท่าๆกันแล้วแต่กรณีแวดล้อมอื่นๆพระเจ้าอาโศกทรงตอบคราวนี้มาพิจารณาในแง่ดีบ้าง สมมุติว่าพระองค์ทรงทําความดีอย่างใดอย่างหนึง่งโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ใครได้รับผลแห่งความดีนั้นแต่เมื่อใครได้รับผลดีจากพระราชกรณียกิจของพระองค์เขาจะรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์หรือไม่ต้องรู้สึกอย่างแน่นอนพระคุณเจ้าสรุปว่าความดีหรือชั่วก็ตามที่บุคคลทําโดยไม่เจตนา ยังสามารถปลิดผลให้เป็นความทุกข์และความสุขแก่บุคคลอื่นได้กรรมชนิดนี้แหละกันเรียกว่ากตัดตาวาปนกรรมจะให้ผลต่อเมื่อกรรมที่บุคคลทำโดยเจตนาได้อำนวยผลหมดแล้วในช่วงหนึ่งขอถวายพระพรตัวอย่างการให้ผลของกรรมประเภทนี้เช่นเรื่องพระราชากบิลยักษ์ เสด็จประพาสป่าต้องการยิงสัตว์แต่ไพร่ไปถูกเอาสุวรรณสามโพธิสัตว์นี่ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเล่ากันมาว่าชาวสวนผู้หนึ่งปลูกมันไว้มากมีเรื่องลํำคานใจที่อีกแก้งมาขโมยกินมันของตนในค่าคืนคืนหนึ่งเขาเฝ้าตลอดราตรีแต่ไม่ปรากฏว่ามีแก้งมากินมันเลย เมื่อรุ่งแล้วเขาเห็นยอดมันไหวๆเข้าใจว่าเป็นเก้งมากินมันจึงยิงด้วยธนูอาบยาพิษเมื่อเดินเข้าไปดูเห็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งออกมากระทำสรีระกิจในเวลาเช้านี่คือตัวอย่างการให้ผลของกตัดตาวาปนกรรมซึ่งชายผู้ตายคงเคยได้กระทำกรรมทำนองนี้มาบ้างจึงมาได้รับผลเช่นนั้นเมื่อพิจารณาตามนี้ พระองค์จะทรงเห็นว่าทางที่ดีที่สุดคือความไม่ประมาทไม่ควรวางใจว่ากรรมเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าหยดน้ำทีละหยดยังสามารถทำภาชนะให้เต็มได้ชั้นใดคนพาลคอยสั่งสมบาปทีละเล็กทีละน้อยแต่จะเต็มไปด้วยบาปชั้นนั้นทำนองเดียวกันไม่ควรดูได ว่าบุญกุศลเล็กน้อยจะไม่ให้ผลผู้มีปัญญาสั่งสมบุญทีละน้อยละน้อยก็จะเต็มไปได้วยบุญเช่นกันในด้านการครองชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายทรัพย์และการออมทรัพย์นั้นพระพุทธองค์ทรงสอนให้ดูตัวอย่างยาหยอดตาและการสั่งสมขึ้นแห่งจอมปลวกดูก่อนจอมชนในแผ่นดิน การจ่ายรับโดยไม่คำนึงถึงทางได้ปล่อยให้รั่วไหลทีละน้อยโดยคิดประมาทว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นในที่สุดก็หมดเหมือนยาหยอดตาที่ใช้ทีละ น, น้อยน้อยในที่สุดก็หมดเช่นกันทางตรงกันข้ามตัวปลวกค่อยๆสะสมดินทีละน้อยในที่สุดก็เป็นจอมปลวกมห็บมา เป็นที่อาศัยแห่งพฤกษดาวันทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาทคอยเก็บออมทรัพย์ทีละเล็กทีละน้อยก็อาจเป็นคนมั่งคั่งได้เรื่องทำนองนี้มีตัวอย่างอยู่มากมายราชาเมื่อทรงพิจารณาด้วยพระปัญญาอันแยบยลจะทรงเห็นว่าของใหญ่มักมาจากของน้อยเสมอและของน้อยอาจจะมาจากของใหญ่ได้เช่นกัน ทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่สุดปลอดภัยที่สุดคือทางแห่งความไม่ประมาทเว้นวิสมาจาริยาคือทางชั่วทุจริตประพฤติแต่สมาจาริยาคือสุดจริต